บทที่3การตามรู้จิตวิธีการปฏิบัติธรรมที่เรียบง่ายและหลัดสัน้น 1. คําคำสอนของหลวงปูดงป่ดูลหลวงปู่ดูลัตุโลวัดบูรพารามจังหวัดสุรินต์กล่าวกับสิบธิผู้หนึ่งเมื่อ23กุมภาพันธ์2525 25ว่าการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องยากจะยากเฉพาะ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 ก็จำเป็นต้องหลีกเร้นหาที่สงบบ้างเป็นครั้งคราว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 แม้จะยังไม่รู้แจ้งอริยสัจและยังไม่พ้นทุกทางใจอย่างสิ้นเชิงแต่เมื่อใดที่มีสติรู้เท่าทันความรู้สึกทางใจหรือพฤติของจิตจิตจะเกิดความรู้สึกตัวและตั้งมั่นบรรดากิเลสตัณหาและความทุกทางใจก็เป็นอันระงับไปชั่วคราวเพราะกิเลสตัณหาและความทุกทางใจจะเกิดขึ้นได้เมื่อหลงคือเมื่อขาดสติ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 เพราะความคิดหรือสมมุติบัญญัตินั่นแหละเป็นสิ่งที่ปิดกั้นการรู้ของจริงคืออารมณ์ปรมัตน์อันได้แก่จิตเจตสิกรูปและนิพพานตัวสภาวะของจิตใจที่จะต้องตามรู้ในเบื้องต้นได้แก่ความรู้สึกต่างๆเช่นความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกในฝ่ายกุศลและความรู้สึกในฝ่ายอากุศลทั้งหลายอันเป็นเจตสิก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 ต้องแกะสิ่งที่ห่อหุ้มออกเสก่อนจึงจะเห็นของขวานได้การดูจิตก็เหมือนกันคือเบื้องต้นเรายังเห็นจิตไม่ได้ก็อยารู้สิ่งที่ปรุงแต่งจิตหรือจิตตสังขารไปก่อนได้แก่ความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายอันเป็นเวทนาบ้างเป็นสังขารบ้างวิธีการรู้ได้กล่าวไว้แล้วในข้อห้า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 ก็ไม่ได้เป็นไปเองแต่เมื่อมีเหตุก็เกิดขึ้นเมื่อหมดเหตุก็ดับไปเราไม่สามารถควบคุมบังคับได้แต่อย่างใด 6.2 การตามรู้พลิกของจิตการตามรู้จิตหรือการดูจิตตามคาสอนของหลวง ป, ปู่ดูล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 เขาจะเห็นทุกได้ชัดเจนยิ่งกว่าเมื่อก่อนพฤติกรรมของจิตนั้นมีตัณหาและความหลงเป็นพื้นฐานอยู่เสมอพ่อแม่ครูอาจารย์วัดป่าบางรูปท่านเรียกจิตที่หลงออกทำงานทางปัญจทวารคือตาหูจมูกลิ้นและกายว่าจิตส่งออกนอกและเรียกจิตที่หลงเข้าไปทำงานทางมโนทวารคือใจว่าจิตส่งใน ซึ่งจิตส่งในจะทำงานได้สองแบบหลักๆคือทำหน้าที่ 1. หลงรู้อารมณ์จนถลําตามอารมณ์ไปอย่างหนึ่งและสองหลงทำกรรมด้วยเจตนาที่ดีบ้างชั่วบ้างอีกอย่างหนึ่งบรรดากุศลธรรมเช่นศีลสติสมาธิปัญญาก็ดีบรรดากิเลสตัณหาทั้งหลายก็ดี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 ก็คือมหากุศลจิตที่ประกอบด้วยปัญญาอย่างยิ่งอย่างหนึ่งกับมหากิริยาจิตของพระอรหันต์อีกอย่างหนึ่งขอให้สังเกตด้วยว่าจิตทรงในแม้จะมีพื้นฐานมาจากอากุศลคือความหลงแต่ก็สามารถหลงทำกุศลได้ส่วนจิตที่รู้สึกตัวนั้นตามความรู้สึกของผู้ปฏิบัติจะรู้สึกว่าเป็นกลางกลาง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 หมั่นตามรู้ทันความรู้สึกและพฤติกรรมของจิตหนึ่งๆ เ, เพื่อให้จิตรู้เกิดบ่อยๆถ้าเกิดบ่อยมากผู้ปฏิบัติจะรู้สึกเหมือนกับว่าความรู้สึกตัวแผ่กว้างออกแล้วเบียดเอาความหลงปรุงแต่งขาดสะบั้นไปในขณะที่ความหลงหดแคบลงคือหลงสั้นหลงเรื่อยๆมีจุดที่ควรกล่าวถึงอีกอย่างหนึ่ง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 เพื่อผลักอารมณ์นั้นออกไปสำหรับการกระทำทางกายและว่าจาก็เป็นผลพวงของการกระทาทางใจนั่นเองปรากฏการเหล่านี้แสดงให้เราเห็นว่าจิตนั้นแหละปรุงแต่งกิเลสขึ้นมาคือปรุงความยินดียินร้ายขึ้นมาและกิเลสก็เข้ามาปรุงแต่งจิตคือเข้ามาบงการพฤติกรรมของจิต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 นี่เองคือการตามรู้จิตลองอ่านเรื่องการเจริญสติปัฏฐานในหนังสือเล่มนี้และทบทวนข้อ5ของบทความเรื่องวิธีการตามรู้จิตเพื่อทราบเป็นความสอดคล้องกันของทั้งสองเรื่องนี้ 7.2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 เพิ่มขึ้นอีกชั้นหนึ่งคล้ายกับคนที่อุตสาห์ทำงานแทบตายแล้วได้ผลตอบแทนที่ไม่น่าพอใจเมื่อตามรู้จิตมากเข้าก็จะพบทุกเพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่งคือพบว่ามีจิตก็ทุกเพราะจิตสมดังคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่ามีสิ่งใดก็ทุกเพราะสิ่งนั้นเช่นมีโคก็ทุกเพราะโค